อะไรชั่วในเรื่องนี้มีคนไม่น้อยพูดกันบ่อยๆว่าความดีและความชั่วเป็นเรื่องของคนหรือสังคมบัญญัติกันขึ้นการกระทาอย่างเดียวกันสังคมทินหนึ่งหรือสมัยหนึ่งว่าดีอีกทินหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีการกระทาอย่างเดียวกันสังคมหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกต้องกระทาแต่อีกสังคมหนึ่ง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 มิฉะนั้นเป็นการไม่ดีอีกบางสังคมถือว่าการเคารพกันไม่เกี่ยวกับวัยแต่ทุกคนควรตกเถียงหาเหตุผลกันดังนี้เป็นต้นคําที่ว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องของมนุษย์และสังคมมนุษย์สมมติบัญญัติกันขึ้นมาเองนี้เป็นความจริงอยู่มากทีเดียวแต่ถึงแม้จะเป็นความจริงอย่างนั้น